บันี้จักได้แสดงธรรมะเพื่อเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปนิวร์คือสิ่งที่กั้นจิตคนไว้ไม่ให้บรรลุความดีข้อสุดท้ายคือวิจิกิจชาแปลว่าความลังเลสงสัย ปักใจลงไปไม่ได้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะข้อนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงโทษของอุเบกขาไว้โดยอุปมาว่าอุเบกขาเปรียบเหมือนกับทางไกลกันดาลที่บุคคลเดินไปในทางไกลกันดานนั้นมีหลุมบ่มีอันตรายปรากฏอยู่เป็นอันมาก คนที่เดินไปโอกาสที่จะประสบอันตรายก็มีได้ง่ายเช่นเดียวกันเช่นได้อุเบกขาที่บังเกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลเราก็มีลักษณะเช่นเดียวกันฉะนนั้นข้อนี้จะเห็นได้ว่าการทำงานอะไรก็ตามบางคราวความลังเลสงสยัยตัดสินใจไม่ทันหรือตัดสินใจไม่ได้ กลายเป็นอุปสรรคบ้างกลายเป็นตัวนําอันตรายให้เกิดขึ้นแก่ชีวิตของบุคคลเป็นต้นบ้างและยังอุปมาไว้ว่าอุเบขาคือความลังเลสงสัยนั้นเปรียบเหมือนทางเสือโคร่งคือหมายความว่าในหนทางสองสายนั้นสายหนึ่งเป็นทางที่อํานวยความสวัสดีให้เกิดขึ้น แก่ผู้ที่เดินไปแต่อีกสายหนึ่งนั้นมีเสือโครงอาศัยอยู่ถ้าหากว่าบุคคลเมื่อถึงทางแยกแยกไปผิดเพราะอำนาจความลังเลสงสัยโอกาสที่จะประสบอันตรายเพราะเสือโครงก็จะเกิดขึ้นได้การปฏิบัติธรรมในทางพระพุทธศาสนานั้น ตัววิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยถือว่าเป็นกำแพงขวางกั้นบุคคลไว้อย่างมากในการที่จะเข้าหาสัจธรรมในทางพระพุทธศาสานาดังนั้นในการแสดงธรรมะของพระพุทธเจ้าทุกคราวจะต้องแก้ความรู้สึกลังเลสงสัยภายในจิตใจของบุคคล ให้ได้เะก่อนซึ่งบางคราวก็แก้ด้วยธรรมะบางคราวก็แก้ด้วยให้แนวในการพินิษพิจารณาแก่บุคคลผู้นัน้นและทรงใช้การแก้บิจิกิจชาตั้งแต่การแสดงพระธรรมเทศนาในครั้งแรกแล้วคือในการแสดงพระธรรมเทศนาคราวแรกนั้นเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่า สเสด็จไปโปรดท่านปัญจวัคคีแต่ว่าท่านปัญจวัคคีมีความรู้สึกเป็นปฏิปักษ์ต่อพระพุทธเจ้ามากเพราะถือว่าพระองค์คลายความเพียนเวียนมาเป็นโคตรมากๆเนื่องจากเปลี่ยนวิธีบาเพ็ญเพียร เ, เพื่อแสวงหาทางจัสรูจึงเดินหนีพระองค์ไปอยู่เสียที่อิสิปตนมฤุกขายวันเมืองพารณสีซึ่งไกลถึง200กว่ากิโล ถ้ามาผลทางในสมัยก่อนก็ถือว่าเป็นการหนีไปแบบไม่ยอมพบหน้ากันอีกแล้วเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดท่านเหล่านั้นแสดงอาการไม่ยอมรับโดยเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาเพื่อต้องการให้พวกท่านอุปถาคบรุงเพราะไม่มีใครจะอุปถากบรุมแล้วก็นัดหมายกันจะไม่มีการต้อนรับเป็นต้นแต่เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จไปถึงท่านก็ ลืมคำมั่นสัญญาและให้การต้อนรับแต่ยังแสดงคำพูดในธรรมนองไม่เคารพคือใช้คำว่าอาวุโส ซ, ซึ่งแปลว่าุูดพระบุมีพระภาคเจ้าทรงชี้แจงให้ท่านยอมรับในเบื้องต้นว่าท่านบัดนี้พระองค์ได้ตรัสรู้อนุตตรสมาสัมโพธิญาณแล้วแต่ท่านปัญจวคีก็คัดค้าน ลำเลิกเรื่องเบื้องหลังขึ้นมาพูดเป็นนันมากต้องรับสั่งถึงสามครั้งก็ออยังไม่เชื่อในที่สุดต้องเสนอให้คิดว่าประโยคเช่นนี้เคยได้ยินเราพูดมาบ้างหรือไม่ตั้งแต่อยู่ร่วมกันมาปัญจวัคคีย์ก็นึกได้แต่พระองค์ทรงมีพระยานอย่างรู้อุปนิสัยของท่านปัญจวัคคีย์ว่ายังมีความลังเลสงสยัยไม่แน่ใจอยู่นั่นเอง องเสด็จไปในตอนบ่ายของวัน14คส่ขาขึ้น14บ่ขมเดือน8ตอนกลางคืนก็ไม่ได้เทศตอนกลางวันก็ไม่ได้เทศวันรุ่งขึ้นก็ไม่ได้เทศไปเทศเอาตอนเย็นของวันขึ้น15บห้ข้ามเดือนแปคือหมายความว่าปล่อยให้ท่านปัญจวคีต่อสู้กับความสงสัยว่าสั จ, ะจะรู้จริงไม่จริงสั จ, ะจะรู้จริงไม่จริงให้ได้เสีก่อนเป็นการปรับ พื้นฐานใจของคนผู้ฟังเพราะถ้ายังเกิดความลังเลสงสัยในตัวผู้พูดโอกาสที่จะยอมรับนับถือเชื่อฟังคําสั่งสอนก็ยากพระพุทธเจ้าก็ต้องแก้ความสงสัยในส่วนนี้ส่วนความสงสัยในธรรมะที่พรุงจัดสรู้ก็ทรงแก้ด้วยธรรมจักกปะปวัตตนสูตรซึ่งเมื่อแสดงไปแล้ว กแก้ความสงสัยภายในใจของท่านปัญจบักคีได้ความสงสัยที่เกี่ยวข้องกับผู้ปฏิบัติธรรมในทางศาสนานั้นท่านได้จำแนกออกไปถึงแปดลักษณะด้วยกันท่านผู้ฟังได้โปรดเข้าใจว่าวิจิกิจฉากับอุทจักกุกกุจคือความฟุ้งซ่านกับความลังเล ส, สงสัยนั้น เป็นอาการของโมหะหรืออวิชชาที่ปรากฏตัวขึ้นมากรุ่มรุมใจของบุคคลไม่ปากลงไปในเรื่องใดเรื่องหนึ่งคือไม่รู้ชัดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งทั้งสองข้อคือทั้งอุตจักรและทั้งวิจิกิจาความสงสัยที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลผู้ปฏิบัติธรรมมันจะเริ่มมาจาก พุเทกังคติคือสงสัยในองค์พระพุทธเจ้าองค์ของพระพุทธเจ้านั้นบางคนอาจจะสงสัยถึงความมีอยู่ของพระองค์ว่ามีจริงหรือไม่จริงบางคนอาจจะไปสงสัยในคุณธรรมความดีของพระองค์ว่ามีจริงหรือไม่จริงบางคนก็นำเอาเรื่องที่ไม่ค่อยจะเป็นเรื่องเท่ายมาสงสัยเช่นเรื่องปาฏิหาริย์เรื่องอภินิหารต่าง ที่ท่าแส ด, แดงไว้ในพุทธประวัตินำมาเป็นหัวข้อแห่งความสงสัยตนและในที่สุดจิตมันก็หยุดแค่นั้นเหมือนกับคนตัดสินใจว่าไปไหนไม่ได้ก็หยุดยืนอยู่ที่นั่นเองจิตใจของบุคคลที่เข้าหาพระพุทธศาสนาก็เหมือนกันแต่เริ่มเกิดลังเลสงสัยในพระพุทธเจ้าไม่ว่าในด้านใดก็ตามจิตก็หยุด คือไม่มีอุตสาหาพยายามที่จะศึกษาค้นคว้าต่อไปประการต่อไปนั้นสงสัยในพระธรรมพระธรรมที่บุคคลสงสายนั้นสงสัยในความเป็นมาของธรรมบางคนแสดงออกมาในรูปว่าไม่เชื่อว่าจะเป็นคาสอนของพระพุทธเจ้า บางคนก็แสดงออกมาในรูปที่ไม่มั่นใจในตัวเหตุคือธรรมะและไม่มั่นใจในผลที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมะลักษณะความสงสัยที่เกิดขึ้นเหล่านี้จะทำหน้าที่กัดกร่อนจิตใจของบุคคลในที่สุดก็จะหยุดแค่นั้นคือไม่พร้อมที่จะน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติก็เหมือนกับคน ที่คนก็ให้ยามาแล้วก็เกิดสงสัยว่ายานี้ดีหรือไม่ดีแก้โรคได้หรือไม่ได้มันก็หยุดอยู่แค่นั้นไม่ได้ดื่มยาไม่ได้รับประทานยาเข้าไปการศึกษาการปฏิบัติธรรมมีลักษณะอย่างนั้นพอวิจิติจชาเกิดจะหยุดคือจิตจะหยุดนิ่งอยู่กับนั้นแล้วถ้าไม่นิ่งก็จะลังเลสงสัยซ้ายหรือขวาเป็นตัว ถ้าสงสัยมากก็ออกมาเป็นรูปของอุทจัจะภูฏะคือฟุงความสงสัยอกประการหนึ่งนั้นท่านใช้คำาสังเคกังคติคือสงสัยในพระสงฆ์สงสัยในพระสงฆ์นั้นก็แสดงออกมาในรูปสงสัยในตัวบุคคลว่าจะเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้จริงหรือแล้วก็สงสัยในคุณของพระสงฆ์ที่ท่านแสดงไว คือทั้งส่วนที่เป็นอัตคุณว่าเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อนิพานปฏิบัติสมควรจริงหรือหรือว่าสงสัยในส่วนที่เป็นประหิตธคุณคือคุณที่เกือ้อกูลแก่บุคลคลอื่นเช่นว่าเป็นผู้ควรของคํานับเป็นผู้ควรต้อนรับเป็นผู้ควรทําบุญเป็นผู้ควรทําอันเจริญเอ่อเป็นเนื้อนาบุญของโลกจริงหรือพอเกิดความลังเลสงสัยเข้าไอความ ยอมรับความนับถือในพระสงฆ์ก็หยุดกล้าไม่ได้กันข้อต่อไปนั้นเป็นการสงสัยในไตรสิกขาคือหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาซึ่งบุคคลจะต้องลงมือประพฤติปฏิบัติอย่างแท้จริงนั้นก็มีเฉพาะไตรสิกขาเท่าทนั้นถึงแม้จะกระจายออกไปยังไรก็ตามสรุปแล้วก็อยู่ที่ไตรสิกขาคือศีลสมาธิและปัญญา ส่วนสีนั้นทรงบัญญัติเพื่อขจัดบาปขาจัดอกุศลที่บุคคลจะพึงละเมิดทางกายกับทางวาจาในส่วนสมาธินั้นต้องการที่จะขจัดนิวรณ์ซึ่งบังเกิดขึ้นกลุ่มรุมใจของบุคคลให้จิตส ง, งบจากนิวรณ์เหล่านั้นส่วนปัญญานั้นเป็นการทําลายล้างกิเลสให้หมดสิ้นไปจากจิตใจจนเกิดความรู้แจ้งเห็นจริง ปลยวางความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายออกไปบุคคลก็จะสงสัยในใจศกขาออกมาในลักษณะต่างๆเช่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือสงสัยในเรื่องของโครงสร้างของศกขาแต่ละข้อว่าสามารถอำนวยประโยชน์ให้จริงหรือไม่หรือว่าบางคนก็อาจจะคิดไปว่าถ้าไปปฏิบัติแล้วตัวเองจะขาดทุนเป็นต้น ในขั้นของสมาธิก็สงสัยในเรื่องของสมาธิว่าการปฏิบัติเช่นนี้จะทำใจให้สงบเมื่อสงบแล้วจิตจะมีความประณนีดมีความสะอาดมีความยือกเย็นสามารถที่จะสลัดกิเลส ท, ที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นได้จริงหรือก็เกิดความลังเลสงสัยขึ้นมาไม่ว่าลังเลสงสัยในช่วงใดก็หยุด สงสัยในคุณของศีลก็หยุดไม่รักษาทิสงสัยในคุณของสมาธิก็หยุดไม่ปฏิบัติในสมาธิแล้วข้อต่อไปนั้นก็คือสงสัยในเรื่องอดีตคือหมายความว่าอาจจะสงสัยในเรื่องเกีย่ยวกับกฎของสังสารวัฏ เช่นตั้งปัญหาขึ้นมาว่าตนเคยเกิดมาแล้วหรือไม่เคยมีหรือไม่เคยเป็นอะไรมาหรือเปล่าในชาติปางก่อนเพราเกิดความสงสัยขึ้นมาในที่สุดการที่จะน้อมใจไปยอมรับกฎของกรรมกฎของสังสารวัฏก็เกิดขึ้นไม่ได้บางทีก็สงสัยในปัจจุบันคือการกระทําความเป็นอยู่ในปัจจุบัน ว่าอะไรถูกอะไรผิดเป็นต้นและทําไปแล้วควรหรือไม่ควรเป็นต้นนี่ก็เกิดสงสยัยขึ้นมาแม้แต่สงสัยถึงความมีอยู่เป็นอยู่ของตัวในขณะนั้นๆแล้วก็ต่อไปก็สงสัยในอนาคตว่าอนาคตนั้นตนจะมีจริงหรือไม่จะต้องเกิดอีกหรือเปล่าถ้าเกิดจะจะเกิดเป็นอะไรทําไมจึงต้องเกิดเป็นอย่างนั้นทําอย่างไรจึงจะได้เกิดเป็นอย่างนั้นเป็นต้น ซึ่งความรู้สึกเหล่านี้ถ้าหากว่าท่านผู้ฟังได้เกี่ยวข้องกับคนที่ชอบถามปัญหาแล้วจะออกมาในรูปนี้ตลอดคือจะสงสัยในเรื่องเจ็ดข้อนี้ตลอดถ้าจะถามว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเพราะว่าเรื่องเหล่านี้แต่ละเรื่องนั้นเป็นเรื่องของคุณธรรมความดีที่บุคคลจะต้องสัมผัสด้วยตัวเอง แล้วด้วยด้วยการน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติอย่างในธรรมคุณที่บอกว่าสันติโกคือผู้บรรลุ <c oughs> จะพึงเห็นได้เองเพราะฉะนั้นถ้าให้ลงมือประพฤติปฏิบัติผลก็ไม่เกิดขึ้นแท้ที่จริงถึงแม้ผลจะไม่เกิดขึ้นในตัวเองถ้าหากว่าบุคคลหมั่นสังเกตพินิจพิจารณาดูผลที่เกิดขึ้นแก่บุคคลอื่นกส็สามารถขจัดความสงสัยไปได้ แต่ว่ากลับไม่ไปดูผลที่เกิดขึ้นกับบุคคลอื่นด้วยความสงสัยที่เกิดขึ้นก็เพิ่มพูนขึ้นแล้วกัดกรอดจิตใจสร้างภาวะชะงักงันให้บังเกิดขึ้นภายในจิตใจโอกาสที่จะก้าวไปในการประพฤติปฏิบัติก็มีเป็นได้แล้วในข้อต่อไปความสงสัยจะออกมาในรูปของกฎปฏิจจสมุปบาทเรื่องปฏิจจสมุปบาทนั้นเป็นรายละเอียด ที่วิจิตพิสดารออกไปแต่เมื่อกล่าวโดยสรุปก็คือว่าจะสงสัยในตัวมูลเหตุที่นําไปสู่สังสารวัฏคือในปฏิจจสมุปบาทนั้นมีช่วงอยู่สามช่วงช่วงแรกเป็นเหตุที่มีมาในอดีตคือหมายความว่ามีอวิชามีสังขารอยู่ในอดีตสังขารได้แก่บาป บ, บุญในอดีตก็เข้ามาปรุงแต่งให้เกิดขึ้น เป็นรูปของวิญญายช่วงที่สองก็คือพวกนามมรูปพวกนามรูปอายตนะผัสสะเวทนาซึ่งหมายความมรูปร่างกายของคนเป็นผลที่เกิดขึ้นมาจากการปรุงแต่งของอวิชาสังขารและวิญญาณช่วงต่อไปก็เป็นเรื่องของตันหาอุปาทานที่เกิดขึ้นในปัจจุบันบุคคลจะมีความลังเลสงสยัยจนถึงกับบางทีมีการอธิบายว่า เด็กนั้นจิตใจบริสุทธิ์สะอาดแล้วเกิดมีกิเลสเพิ่มขึ้นที่จริงถ้าบริสุทธิ์สะอาดอยู่แล้วกิเลสจะเพิ่มไม่ได้กิเลสนั้นนอนเนื่องอยู่ใ น, นดานเป็นการรอเชื้อจะเข้ามาบวกเท่านั้นเองแล้วในที่สุดมันก็เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นถ้าไปได้เชื้อสูงในด้านใดด้านหนึ่งขึ้นมาหรือว่าหลายด้านกิเลสในด้านเหล่านั้นก็จะเพิ่มขึ้น คนจิตใจบริสุทธิ์ไม่ต้องเกิดอีกหรอกแต่ว่าการที่คนยังไม่แสดงอะไรออกมานั้นมันก็เข้าทำนองของเมล็ดพืชที่เก็บอะไรเอาไว้พร้อมในเมล็ดเมล็ดเดียวแต่รอคอยการเวลารอรอคอยเหตุปัจจัยต่างๆเข้ามาประกอบและในที่สุดก็จะออกเป็นเป็นใบเป็นต้นเป็นกิ่งเป็นก้านเป็นลูกเป็นดอกสืบต่อกันไป จิตใจของบุคคลก็มีลักษณะอย่างนั้นคือเก็บอะไรเอาไว้เป็นอันมากแล้วรอคอยการเวลารอคอยเหตุปัจจัยที่จะเข้ามาสนับสนุนเท่านั้นคนก็เกิดความลังเลสงสัยในสูตนนี้ในส่วนของปฏิจจสมุปบาทถึงว่ากันตามหลักความเป็นจริงแล้วปฏิจจสมุปบาทนั้นเป็นเหตุปกติธรรมดาในชีวิตของคนเราเป็นการสดแสดงธรรมะแบบ ว่าถ้ามีสิ่งนี้ก็ต้องมีสิ่งนี้ซึ่งอาจจะพูดถึงเรื่องอะไรก็ได้เช่นว่าถ้าคนออรับประทานอาหารเข้าแล้วก็ต้องอิม่มความอิ่มนี้เกิดขึ้นเพราะการรับประทานอาหารถ้าไม่มีการรับประทานอาหารก็ไม่อิม่มหรือรับประทานยาถ่ายไปก็ต้องถ่ายไปติดมันมันมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยของการอะไรกันถ้าไม่มีสิ่งนี้สิ่งนี้ก็มีไม่ได้ พอสิ่งนี้ดับสิ่งนี้ก็ต้องดับไปเช่นว่าไม่ไม่รับประทานอาหารความอิ่มก็ต้องดับไปคือเกิดขึ้นไม่ได้เพราะว่าการรับประทานอาหารมันดับเป็นต้นแล้วจะทยอยกันเป็นลูกโซ่เป็นแถบไปเรื่องทั้ง8ดนี้ถือว่าเป็นความสงสัยที่บังเกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลแลวแต่ละอย่างนั้นจะหยุดหมดไลย โดยเฉพาะในขั้นของการประพฤติปฏิบัติจิตจะหยุดการก้าวหน้าไปในวิถีทางของธรรมะเพราะสงสัยช่ไห้คก้าวไปไม่ได้ข้อต่อไปทรงสอนให้รู้ว่าเมื่อวิจิกิชฉาแต่และข้อบังเกิดขึ้นภายในจิตใจก็ให้รู้และในขณะเดียวกันก็ให้รู้ว่าวิจิกิชฉาที่ยังไม่เกิดนั้นเกิดขึ้นได้อย่าง ปิจิเกชานั้นเกิดขึ้นมาจากสิ่งที่เรียกว่าอโยนิโสมนสิกาคือการที่บุคคลไม่นำเรื่องเหล่านั้นมาไตรจองมาพินิษ์พิจารณาโดยเหตุโดยผลโดยหลักการในวิธีการที่ถูกต้องความลังเลสงสัยก็บังเกิดขึ้นอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าเด็กนักศึกษาในปัจจุบัน แกสงสัยติดใจเรื่องพระพุทธเจ้าประสูติแล้วเดินด้วยพระบาทได้7จก้าวจริงๆไปที่ไหนจะต้องเจอปัญหาในลักษณะนี้ซึ่งว่ากันตามความเป็นจริงแล้วนี้เป็นเรื่องข้อเท็จจริงในทางประวัติศาสตร์ที่คนซึ่งเห็นเหตุการณ์ที่อยู่ร่วมในเหตุการณ์เมื่อพระนางสิริมาามายาประสูติพระพธทธสัตว์เขาเห็นแล้วเขาก็บอกกล่าวกันพระพุทธเจ้าไม่ได้เล่าโดยโรงเองเพราะโรงเองก็เป็นเด็กอยู่เหมือนกันทําไมนั้น แต่ก็เราก็มาตั้งเป็นเงื่อนไขเอาไว้โดยไม่น่าตั้งไว้และในที่สุดมันก็ติดอยู่ที่นั้นแต่ถ้าเราลองพิจารณาถึงว่าพวกอภินิหารอภินิหารนั้นหมายถึงว่าอำนาจบุญญาบารมีที่บุคคลนั้นนั้นได้กระทำไว้ในชาติต่างๆมันสําแดงผลออกมาให้ปรากฏเป็นเครื่องหมายว่าคนคนนั้นจะมีความสาคัญอย่างนั้นอย่างนั้น ก็ไม่ได้มีเฉพาะพระพุทธเจ้าว่่ที่จริงคนบางคนพระเทระบางองค์เช่นพระศรีวลี์ท่านอยู่ในคันของแม่ตั้ง7ปีกับ7ฝันแต่ก็ใครไม่ไปตั้งข้อสงสัยไว้พระพุทธศาสร์ประสูตรเดินด้วยประบาทได้ 7-9 ก้าสงสัยกันจริงๆถ้าเราคิดด้วยอุบาลแยบคายโดยเหตุโดยผลแล้วก็เปรียบเทียบกับบุคคลบางคนซึ่งมีบุญบา ร, รมีไม่ถึงพระพุทธเจ้า แต่ก็สแสดงอะไรออกมาผิดปกติสามัญมนุษย์ก็จะเกิดยอมรับได้แต่ไม่ยอมคิดโยงไปแล้วเมื่ อ, อ, อคิดเรื่องนี้สงสัยแล้วก็หยุดที่จริงควรจะถอยออกมาพิจารณาในมุมอื่นๆเข้าประกอบด้วยอย่างยกตัวอย่างในกรณีอภินิหารของพระพุทธเจ้าของพระโพธิสัตว์ก็ไม่ได้เกิดเฉพาะพระโพธิสัตว์ พนารายมหาราชเองตอนประชุดพระจิวงก็เห็นเป็นสี่กรซึ่งก็เป็นเรื่องของพระยาติวงที่เห็นื่อเห็นเป็นสีกรก็ขนานนามพนารายราชกูมานเป็นต้นหรืออภินิหารต่างๆที่ปรากฏแก่พระเจ้าตากศินสมัยเป็นเด็กก็มีอยู่หลายอย่างที่เรื่องสามั ญ, ญชนคนธรรมดามีไม่ได้ แต่ว่าท่านเหล่านี้เมื่อมีอภินิหารปรากฏขึ้นในการต่อมาก็แสดงให้เห็นว่าท่านไม่ใช่คนธรรมดาเป็นคนพิเศษเมื่อเป็นคนพิเศษก็เกิดขึ้นเฉพาะคนพิเศษเท่านั้นถ้าคนไม่มีอภินิหารไม่มีบุญบา ร, รมีที่สร้างสมบรมมาแล้วถึงแม้จะไปอยู่ในอะไรก็อยู่ไม่ได้ตัวอย่างในประวัติศาสตร์ต่างๆเป็นอันมากที่จะช่วยชี้แจงในเรื่องนี้ หรือไม่อย่างนั้นเราก็อาจจะตัดประเด็นต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องราวเพราะว่ากันตามความเป็นจริงแล้วความเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ที่ความเป็นลูกกษัตริย์หรือความเดินด้วยประบาทได้7จ็ดก้าแต่อยู่ที่การจัตุรูพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วประกอบด้วยพระมหากรุณาเทศนาสั่งสอนสัตว์ตัวโลกประดิษฐานเป็นรูปของพระพุทธศาสนาขึ้นนี้คือตัวหลัก ตัวหลักของความเป็นพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นความเป็นพระพุทธเจ้าจึงอยู่ที่คุณไม่ใช่อยู่ที่รูปแต่อยู่ที่คุณในธรรมและองค์ของพระพุทธเจ้าจริงๆก็เป็นธรรมะอย่างที่ได้รับสั่งแก่ท่านวะกคะลิซึ่งติดตามดูพระองค์ไปในที่ต่างๆว่าวะกคะลิพิกุจงถอยออกไปจะมาดูยายร่างกายแต่ถาคตเป็นของเปื่อยเน่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเรา เราพูต่าคตคือธรรมกายอันเป็นการแสดงว่าองค์พระพุทธเจ้าจริงๆเป็นธรรมะความเกิดเป็นพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงนั้นเกิดเมื่อตอนจัตสรุเรียกว่าอุบัตด้วยนามกายเป็นการอุบัตสองครั้งอุบัตโดยรูปกายนั้นเป็นเจ้าชายจิตตะะแต่ก็ไม่ใช่พระพุทธเจ้าเป็นแต่พระโพธิสัตว์เท่านั้น ตอนเป็นพระพุทธเจ้านั้นคือหลังจากการจัดสรุปแม้แต่หลังจากการจัดสรุปแล้วที่เป็นพระพุทธเจ้ามาเกี่ยวข้องกับโลกจริงๆก็เริ่มตอนแสดงปฐมเทศนาเพราะว่าได้ทำสิ่งที่เป็นความเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายตั้งแต่นั้นมาที่นี้ เมื่อบุคคลน้อมนำเอาพระคุณของพระองค์มาพิจารณาโดยเฉพาะพระคุณที่กล่าวโดยสรุปสามพระคุณด้วยกันนั้นมาพิจารณาด้วยอุบาลแยบข่ายแล้วก็ใจฉินคือจะขจัดความสงสัยไปได้อย่างพระปัญญาจีคุณของพระพุทธเจ้านั้นจะพิจารณาอะไรก็นําเอาธรรมะที่ทรงสดแสดงไว้ยกตัวอย่างเช่นหลักอะไรก็ได้ หลักของสติสัมปชัญญะที่ทรงสอนว่ามีอุปการะมากคือคนขาดสติสัมปชัญญะไม่ได้แล้วพิจารณาดูว่าตอนไห น, นถ้าขาดสติและจะเป็นอะไรขึ้นมาแล้วดูหลักของอริยสัจสีที่ทรงสดแสดงเอาไว้ก็จะเห็นว่าเป็นความถูกต้องสมบูรณ์ที่ไม่มีโอกาสที่จะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้เรื่องของทุกข์ที่สอนให้รู้ก็ต้องรู้ไวเท่านั้นคือไปแก้อะไรไม่ได้ เรื่องของสมุทัยที่ต้องละสร้างขึ้นไม่ได้ต้องละอย่างเดียวเรื่องของนิโรธที่จะต้องทำให้แจ้งก็ทำอย่างอื่นไม่ได้เรื่องของมรรคที่จะต้องลงมือประพฤติปฏิบัติไปละเสียไม่ได้ปฏิบัติให้ผิดฝาผิดตัวไม่ได้นี่เป็นคำสอนที่จัดไว้อย่างมีระบบมีความสมบูรณ์อยู่ในตัวของคำสอนนั้นๆ น, นเอง ก็อาจจะยกธรรมะข้ออื่นๆขึ้นมาก็ได้ว่าคําสอนประเภทนี้อย่างนี้มีอายุการผ่านมาตั้งสามสองพันกว่าปีเนี่ยคนที่สอนจะต้องเป็นคนที่เรียกว่าพระพุทธเจ้าเท่านั้นจึงสอนได้คนธรรมดาสอนไม่ได้เพราะมีคําสอนเป็นนันมากที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วก็เสื่อมไปเพราะพิสูจน์ไม่ได้แต่ของพระพุทธเจ้าท้าทายเชิญชวนให้มีการพิสูจน์ จะเป็นการสแสดงให้เห็นถึงพระปัญญาคุณของพระองค์ว่ามีความยอดเยี่ยมเพียงใดในด้านของพระบริสุทธิ์ที่คุณพระพุทธเจ้าโดยรู ป, ปากายทางนิ้ผ่านไปแล้วแต่เราก็ดูได้ที่ผลงานของพระองค์ผลงานคำสอนของพระพุทธเจ้าแสดงให้เห็นถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงภายในประทัยของพระองค์ ในด้านของธรรมะพระองค์ได้เปิดเผยบอกว่าธรรมะนั้นเป็นของมีอยู่เป็นอยู่ตามธรรมชาติธรรมดาแต่พระองค์ได้ค้นควาจนจัดสรุธรรมะแล้วนำมาเปิดเผยชีย้แจงแสดงแก่โลกพระองค์ทำได้เฉพาะเพียงบอกให้เท่านั้น เป็นลักษณะของการชี้ทางบรรเทาทุกข์และชี้สุขเกษมสารชี้ทางพระนรุพานอันพ้นโศขิโยคภัย ใ, ให้ต่นนั้นแต่ว่าการจะประพฤติปฏิบัติเพื่อขจัดน้ำใจหยาบสันดานบาปแห่งชายหญิงสัตว์โลกได้พึ่งพิงมละ บ, บาปบำเพ็ญบุญนั้นเป็นเรื่องของแต่ละคนที่จะประพฤติปฏิบัติพระองค์ช่วยใครไม่ได้หรอกแม้ใครจะเกาะชายจีวรพระองค์ไปในที่ต่าง ก็ไม่ถ้าไม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วก็ไม่อาจที่จะรู้ได้หรือว่าการที่พระองค์ทรงแสดงว่าอามิสบูชาคือการบูชาโดวยวัตถุสิ่งของกับปฏิบัติที่บูชาคือการบูชาด้วยการปฏิบัติตามคําสอนของพระองค์นั้นปฏิบัติที่บูชาเป็นยอดแห่งการบูชาเหล่านั้นเมื่อบุคคลบุคคลนำมาคิดดูว่าอามิสบูชาบูชาโดวยวัตถุสิ่งของนั้นใครได้ พระพุทธเจ้าได้พระสงฆ์ได้แต่กลับไม่ยกย่องบูชาประเภทนี้ส่วนปฏิบัติที่บูชาการบูชาด้วยการปฏิบัติตามธรรมะนั้นใครได้คนปฏิบัติเป็นคนได้พระพุทธเจ้าไม่ได้อะไรพระสงฆ์ก็ไม่ได้อะไรแต่คนนั้นเองเป็นคนได้กลับยกย่องว่าเป็นการบูชาอย่างยอดเยี่ยมเป็นการบูชาอย่างสูงสุดเป็นการบูชาที่สามารถสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาไปได้ นี่เป็นการแสดงว่าคำพูดในลักษณะนี้เป็นเรื่องของคนที่มีความบริสุทธิ์ภายในจิตใจอย่างเปี่ยมล้นเท่านั้นพระพุทธเจ้านั้นแม้ในเวลาที่ทรงพระประชวรก็ไม่ให้ภิกษุไปพยาบาลพระองค์ถ้าหากว่าใครปรารถนาจะพยาบาลพระองค์ก็บอกให้พยาบาลภิกษุไข้แทนพระองค์ เป็นการแสดงว่าพระองค์ไม่ต้องการอะไรตอบแทนจากราสาวกจากโลกจากศาสนิกแต่การดำรงชีวิตอยู่ของพระองค์ตลอดเวลานั้นเป็นการกระทำเพื่อคนอื่นเป็นการอยู่เพื่อคนคนอื่นเป็นการกระทำของคนที่มีจิตใจบริสุทธิ์อย่างแท้จริงในด้านความกรุณานั้นเห็นได้ชัดเพราะผลงานที่ปรากฏออกมาในพระไตรปิฎก สืบต่อเป็นอายุพระพุทธาศาสนาอยู่ดั้งขึ้นอยู่กับการกรุณาของพระพุทธเทจ้าที่หลังจากสัสรู้แล้วถ้าพระองค์จะนิพพานหรือว่าไม่สอนธรรมะศาสนาก็เกิดขึ้นไม่ได้แต่การที่พระองค์เสด็จไปในขามนุคมชนบท ร, ราชธานีต่างๆเที่ยชี้แจงแนะนำสั่งสอนประชาชนให้ได้ประพฤติธปฏิบัติธรรมะก็ะเป็นเวลาถึง45ปีนั้น เป็นการเชีย้ยเห็นถึงพระมหากรุณาคุณของพระพุทธเจ้าว่าเป็นความกรุณาที่มีมากหลุดพ่วงมหานนพจริงๆพอคิดได้เช่นนี้ก็ขจัดความสงสัยภายในใจของภายในจิตใจของตนที่มีต่อองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าลงไปได้สมบัติในวันนี้ก็จะยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป